โอกาสปัตรานเทระทรตึองมีเจ้าคุณราชิติเวทีเจ้าคณะญาติสิมบุรีท่านเป็ุศีวรยาน้องพลายและปัเทราเทระเ <c oughs> จริญสุขอยตโยมผู้สนใจในการปฏิบัติเป็นที่นาชิ่นชมยินดี จังฝ่ายบัรลัยเชดและยากโยมหรือฝ่ายกลือหัดที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกนึกถึงหลวงพอ่อเทียนจิตกับสุปโภที่ท่านเป็นนักปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน แล้วก็ดดินทราบกันในเกียรติศักดิ์หรือเกียรติคุณที่ทักดมีจนทาให้เกิดสีลุกติดลุกหากันทั้งประเทศไม่ใช่นี้ <c oughs> เพราะในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศก็ยังมีและในโอกาส <c oughs> ที่กระโรงหรืออาะมภาพาได้มา ก็ในฐานะเดียวกันในฐานะที่สนใจในแนวปฏิบัติของหลวงพ่อแล้วก็ได้ประโยชน์ก่อเกิดกับตัวเองก็อาศัยหลวงพ่อถ้าท่านได้อ่านในหนังสือที่อาจมาส่งมา รู้สึกว่าทางผู้จัด ก, การงานแห่งนี้คงจะได้แจกกันทนุดทึกอันนั้นเขียนเทียนเสี่ยวเดียวตรงนั้นจะเขียนในเวลาจำกัดถ้าจะแหกจะมาเขียนลงถึงนุพอเทียนเนี่ยจะก็คงด้าหนังสือเล่มใหญ่โต แต่ไม่มีเวลา <c oughs> ที่จะเขียนถึงท่านมากนักเพราะเวลาจำกัดทางกลับแต่ถึงอะไรก็ได้เขียนด้วยความมารู้สุดใจ <c oughs> เขียนด้วยความนับถือตลอดญาติโยมก็ถ้าต้นใจก็ไปเปิดผ่านเอาเองถึงอะไรก็ตามว่า <c oughs> ท่านเจ้าคุณ ราษเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านมากระชับว่าให้อดัมมาได้พูดถึงกับพืชตัวเองบ้างก็เลยจะพูดเรื่องกับพืชของตัวเองโมงกับพืชของบระพ็ดโมโหท่านอดัมมามีโอกาส ในมานันตรงนี้แล้วก็ได้เป็นผู้ไปบัญญาเลือกธรรมะเหยาตโจ่ฝั่งบ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยเพราะกับพืชของอาดามาในอาดามายะทิดว่ามันมาอย่างไรมันไม่น่าจะมาอย่างนี้ เพราะกับพืนเดิมขอตะ บ, บาดนั้นอยู่กับทุกงไร่ทุก ห, หนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย <c oughs> ตอนนี้เขาให้เป็นเจ้าคุณราบโมลีเป็นรองเ้านากัาากเปก็นเจ้าวัดวัดกระ่ัน <ด>ยมนั่งหลับตาไปดูกับพืชอรตมาอยู่ตาโน่งทุ่งนาเสื้อผ้าอากัดขาดแต่บิบนอยู่อย่างเทวดาฟ้าดินหรือผีอะไรก็ไม่สัตให้เรียนหนังสือดีเรียนชินบรทม แต่ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองมันอย่างนี้ไอ้ที่จะไม่ได้ที่ไม่ีแต่นี่นคือผีให้บุญมาก็เลยเรีย น, นสื่อดีหน่อยเดียวกตเพืชอย่างว่า <c oughs> มันยามันโจทยนะ์เนี่ยในตัวโยกคกรักหรือจะมบานี่ ต่อมาด้วยจิ้งหลีดกกะแต่ปลาและอ้าปากจับมามี้มีหมูเห็ุเป็นไก่ในเจ้าคุณละดีไม่กี่ปีมานี่นะเอแต่อันหนึง่งผียังแบ่งให้อีกอันหนึง่งให้เรียนหนังสือดียังไม่พอให้ตั้งใจเรียน เรียนหนังสือต่อมันยากมันจนจะไปเข้าเรียนต่อเรียนมยัธยม้าไปไม่ได้จะไปขอเป็นลูกศิษย์วัดเพราะโยกตาเป็นชายกวัดจะพาไปวัดอยู่ตลอดไปเห็นเนรอยู่วัดก็อยากอยู่อยู่วัดไม่ได้บวชแน่ก็ขอบวชไม่ได้บวชแน่ก็ขอบวช ให้เป็นลูกศิษย์วัดก็เาาอาก็ไปโยกแล้วยโย่เรื่อยไปก็ปนจนมาบวชผีก็แ บ, บ่งปันตรงนี้ให้คือให้ชอบกับมฐานบวชพรรษาแรกอยากาาเข้ากรรมฐานเข้าพรรษาสองอ่านหนังสือรู้เรื่องแบบ มันมีเรียนกรรมฐ า, านในหนังสือเขาสอนกรรม า, านเนาะกรรมฐ า, านนี่มันเป็นอย่างไรก็อยากเป็นกรรมฐ า, านเป็นพระกรรมฐ า, านไม่รู้ล่ะ <c oughs> บางที <c oughs> เข้าไปได้ป่าในดลงลบไมด้ดีๆ <c oughs> ก็กว่าสายดีๆ <c oughs> เพราะว่าทางบ้านธรรมมันายเยอะเนี่ยกวาดทรายดีๆแล้วก็นั่งกรรมฐ า, าน พวกเพื่อนไปหาเกจเผ็ดกันไม่รู้ไปไหนแต่ม า, น, น, มานั่งกรรมฐานนัางไม่มีหลักนะนั่งเฉยๆก็อย่างนั้นฮะบัดไหนเดือนอยังไงเพื่อนเพราะนอนปวดพระหรือพวกเมน <c oughs> นอนแล้วก็ลงมาทางหลังเดินรอบโบส เดินะไมพอชอบกรรมฐานพอมาเรียนธรรมชัดเอกเจนนีให้ดด้อยากเจนนีเข้าป่ากระดงไม่รู้นะไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรแต่ยางนีเพราะมันเบื่อหน่ายอาตมาเห็นญาติโยมไม่ได้อาตมาจะหลับตาเพราะมันเบื่อหน่ายความเป็นเป็นโยมผู้หญิงมีท้องก็ถ้ารู้สึกไปเรามีเมียมัมนก็นจะท้อโตอยู่ที่เตี้ย เห็นผู้หญิงเนี่ยท้องโู้ยเอีอออยที่สุดอยากจยนี้เข้าป่าก็ดู้ยิงเล่นเข้าไปลงมาข้างล่างเขานอนกันเราเดินเดินบนอย่างนี้นประสาทขึ้นหรือแกอะไรก็ไม่ทราบมันเบืนอ น, ะน่ะนี้คือกับพืชในเรื่องการปฏิบัติชอบอย่างนี้น อามาจะมีเวลาได้ดูเรียนกำมันมาถาเป็นขินลักษณะต่อเมื่อเข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้ <c oughs> ไปอยู่วัดปริญญายกในช่วงนั้น <c oughs> อาจารย์สมวานเป็นเจ้าสำนักฝึกอยู่ตรงนั้นอาศัยหลวงพ่อทมเทราสมามณีหรือจะบุถเทพจิตริกมณีอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกำมันมาถา วัดมหาธาตุนี้ไปสอบอารมณ์ภกวันรพระก็ได้อยู่ใกลคิดทถอะก็ได้เพียนอะไรตามมาา่างๆกับท่านไปเข้ากรรมฐ า, านอยูนั้นเหมือนจะสองเดือนแล้วสามเดือนยังไม่ไ้แลก็เข้าเข้าออกอยู่นะั้นอยู่วัดปรีนายกอาตมาเป็นคนจังหวัดบุรีรั พอเปีเรียนพกเพื่อนส่วนมากจะกลับบันอาตมาจะเข้ากรรมฐ า, านปี B นะั้นสอบได้ประโยคศาสเข้ากรรมฐ า, านสันหลายเดือนอ้าวพอเรียนประโยศสี่สอบประโยศสี่แล้ว เขาก็มาทานไปในทีนี้เพราะตอนนั้นกำลังศรัทธาหลวงพ่อพุทธทาขึ้นสมองนี่พอสอบประโยศแล้วไปเลยไปหาหลวงพ่อพุทธทาไปอยู่กันหลายเดือนมัน้งน่ยแล้วระหว่างว่าปรินายกกับสววนมกเนะี่อยากเข้าเข้าออกออกตลอดไปล่ะ และในปี2518ปีนั้นเรียบระโยกทางวัดเจ้าบุคลสมเด็จสมเด็จธิริยานุ่ยธรยานุษย์จีจ่าวาวัดวัจจวัดเปิดให้พระเทระผู้ใหญ่และพระบวชใหม่เข้ากระมฐ า, านที่วัดสามเดือน ทำเชืราบุณีบุณีหละหเลยจบคนทำเหศุสิทธิบุณีตั้งกระป๋หน่วยความจะดวกช่วยและอะไรต่างๆูตลอดสามเดือนอาตมาก็อยู่แต่ว่าเข้ากรรมาฐานในนั้นเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นไปถึงสี่ทุกทุกวันอตาตมายอยู่ฝ่ายการเลขาใน ก, การควบคุมดูแลช่วยตรงนี้ เปิไปฝึกมาทางอาจารย์เมืองคําเป็นผู้ควบคุมโดยตรงในเรื่องการเดินจงกรมดต่างๆสวัสดีารย์กำหนดให้นั่งยีิบสี่ชั่วโมงครั้งแรกให้นั่งสี่ชั่วโมงพอสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมง พอแปดชั่วโมงแล้วเป็นสิบสองชั่วโมงพอสิบสองชั่วโมงแล้วพาดไปยี่สบสี่ชั่วโมงเลยหยบคิดดูนะมันก็ไม่ใช่เลือกอะไรเพราะเราฝึกมาตลอดมันก็นํ่ได้้าดใจแข็ง นั่นก็ให้นั่งกัน24ชั่วโมงผ่านไปตั้ง5 ร, งรงูปหรือรูปนอกนะั้นได้10ชั่วโมงบ้าง8ชั่วโมงบ้างแต่ประมาณในรูปหนึ่งที่ผ่าน24ชั่วโมงก็ยังเห็นความอัศจรรย์อยู่ว่าเราเคยเข้าห้อง น, าน้าห้องช่วงเคยทานอาหารรับชันอาหาร ทำไมภายในยี่ิสี่ชั่วโมงนั้นมันไม่หิวโหยอะไรนั้งัต่ไม่หิวแท้แรงทีวีช่องสาบเขาไปทำข่าย่าโยมไปเต้มสลากเขาไปดูพระนักยินสี่ชั่วโมง อาตมาก็ได้พื้นฐานจากนี้เรื่องกรรมาฐานยุบหนอพองหนอแต่เรื่องอา จ, จะจันมมนะอาตมาสอบเรียนหนังสือจนได้ป ร, ริญญาธรรมก้าวประยู่เพราะกรรมาฐานตกมีไม่ใช่ว่าได้ทุกปีหรอกแต่ว่าไอ้กรรมาฐานนี่ทำให้เรามี เป้าหมายทําให้มีความมัดคงทําให้เกิดความมุ่งมัน่นโยบสังเกตไม่ว่าเ <c oughs> จ้าคุณราชเ จ, จ้าคณะเจ้าวัดนสิงห์บุรีหรือหลวงพ่อไหลเ่าเนี่ยข้า <c> เ <oughs> จ้าคุณศรีวรียาเลืออาจารย์หาดิเลกขอพูดนี่หนึ่งวะข้าเจ้าคุณศรีวรียานี่ยหรืออาจารย์หาดิเรก ก็เคยอยู่เมกาด้วยกันอัตมาก็เคยอยู่เมกาอยู่ก่อนเพื่อนทั้งอยู่กอดท่านทั้งสองเนี่ยทาาา่านทั้งสองตามไปที่หลังอัตมาไปอยู่กอนที่ว่าให้สังเกตว่าพระที่ทเาเจิตกามถานจริงๆจะมีความเด็ดเดี่ยว จับอะไรจะจับตลอดนอดฝันไม่ปล่อยทิ้งการทำงานการะระไรต่างจะมุ่งมั่นถึงที่สุดไม่รอและถ้าพระไม่ค่อยสนใจในเรื่องการปฏิบัตินีรอและไม่มีความมุ่งมั่นของตัวเองมี <c oughs> รูปหนึ่งครียธรรเก้าประโยชเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดริสกิจ ถ้าได้จับงานแล้วไม่ปลอดแล้วพยอยัดจริงๆคำว่าเหนื่อยไม่หมดนีนะ่คือพระกรรมฐ า, านเพราะฉะนั้นกรรมฐ า, าน น, นี้จริงถือว่าเป็นเรื่องจริงใหญ่จริงๆนะโยกเดี๋ยวจะมาจะบผู้ดีจริงให้รับเพยงแต่ให้เห็นว่า อัตมาปูพื้นฐานเาะก็ไม่ใช่ที่แน่อย่างนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะกรรมฐ า, านทั้งหมดพอสอบประโยคเก้าได้อัตมาก็ไปอยู่ปีก้าปีสองห้าสอบประโยคเก้าจบเสร็จ ท, ที่จะได้อยู่วัดมหม ทีสองหก็ไปอยู่เมกาไปทางานอยู่เมกาก็อาศัยกัรมฐ า, านทั้งหมดไม่ได้เอาเรื่องอื่นเลยนะกรรมฐ า, านทั้งหมดไปใช้อ่าติพี่จะมาว่าถ้าพระรูปไหนยึดมั่นกับมฐ า, านแล้วจะมีความมุ่งมัน่นเด็ดเดียวอาตมาไปอยู่เมกา หกมมปีกลับมาเยี่ยมวัดทีนึงเาเยี่ยมวัดทีหนึ่งหกปีกลับมาเยี่ยมวัดอีกทีหนึ่งและทีนี้เป็นอ <c oughs> าตมาก็ไปทําวัดสวดมดอยู่นะอาศัยพาญาจโ จ, จเจริญสมาธิภาวนาสอนยุดหนออพองหนอตลอด จะมาเรียนกรรมฐานตั้งแต่ปีหนึ่งสามนั่นคือได้เรียนรู้หลักกรรมฐานจริงๆคือปีหนึ่งสามนอกนั้นไม่รู้เรื่องเขาว่ากรรมฐานกขาว่ากรรมฐานเฉยแต่ไม่ได้ดูไม่มีใครสอนไม่มีใครเน้นอาศัยเปิดหนังสือทก็ใช้กรรมฐานตัวนี้อบรมญาติโยม เป็นคนไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นอาจารย์กรรมฐ า, านต้องสอนไปเยไม่รู้ผิดถูกไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าตัวเองเขตั้งให้เป็นอาจารย์กรรมฐ า, านก็ ว, ว่าเป็นอาจารย์กรรมฐ า, านตัวเองก็ไม่รู้เรื่อง แต่ขอให้สมมุติให้เป็นเดี๋ยวเลกเป็นให้เป็นอาจารย์กับมฐานเทศก็ไม่เป็นเดินจยกลมได้พองน้อยยกหมอพายโยนคำแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องกับมฐ า, ามอนอาจจะมากลับประเทศไทยปีสามดึก 2,531 ไป26ปี31กลับมาประเทศไทยจึงเด็ตรงนี้แหละเป็นจุดหักเหชีวิตของอัตมาเพราะมีเลือดเป็นอาหารเหรือจำมันนะอาเนวา เขาอยากให้อดัมาไปปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนไม่รอดรู้มั้มันดีนะผมไปลองมาแล้วพอมันดีเอ๊ะมันแน่เราได้เราเป็นอาจารย์กรรมฐ า, านแต่แท้ยิเป็นแน่ให้เราไปเรียนกรรมฐ า, านหลวงพ่อเทียนอัดัมมาไม่สนใจนะเฉย เ, เราเป็นกรรมฐ า, าน ส, สอนฝลังนะ่งอีกสอนอยู่แล้วเป็นอาจารย์ใหญ่เมือนกัน เป็นไงไม่สนใจแต่ตีนั้นหลงพ่อเทียนรูเหมือนจะบรรภาคใช่ั้มปีสัหนึ่งอ่ะอ่ะละก็ไม่วัดเพราเรายังไงกับกรรมฐานสอนฝรั่งแนบดิอย่าเริ่มนาโยมอ่ะ กิเลสมันก็เป็นอาจารย์ใหญ่มืนกันนะเออมันเป็นอาจารย์ก็มาถักิเลสอตาตมาก็ <c oughs> ไม่ว่าแล้วก็จดใจสายลูกพ่อชาไม่ว่าเทพไม่ว่าหนังสือสายลูกพ่อชาเยอะแ ย, ยะอยู่ที่วัดธรรมราพรลโบสจะร์อเมริกาไม่เคยเปิดอ่าน เพเป็นพระวัดป่าไม่ได้มีความรู้ให้เราประโยคนก้าวเราจะไปอ่านยนงไงของลงตัดของพระบัตรนอกอ่านไม่ได้เพราะเราประโยชน์ก้าโอมันเหนือเมฆเาจะไปอ่านทำไมของพระบัตรนอกพระมันมีมีดีกรีแล้วก็ไปเยียดสายวัดป่า สายวัด น, น้องอกอทอน้องปชานี่แหละไปได้นังซื้อมาเล็ดหนึ่งน้ำไหลเดกงต่อเอาไปอ่าจดูเอ๊ะมันก็นปนแปลกพอเข้ายมเทพก่อนหนังสือนี่ก็ติดยาไปอีกไปนอนอา่านยมเทพมันก็แปลกอยู่เพราะถึงกำหนดที่จะต้องจอบอเมริกานังสือเล็ดนี้ก็นอนอยู่ในยาหนมันแหละ ไปอ่านอิงทียบมีกาอ่านกลับไปกลับมามันแตกตั้งแต่ปีหนึ่งสามถึงปีสองหกอาตมานั่งกรรมฐ า, านตัวแขกเนี่ยไม่ได้นั่งกรรมฐ า, านไม่ได้ น, ได น, าานั่งกรรมฐานทําป็นเพืนเตีหนึ่งเีสองไม่เอานั่งในกรรมฐานได้ประโยชน์พักผ่อ ด, ดีมาก ดีจริงๆกับบัะธานถึงไม่รู้กัช่างเลยไม่รู้เรื่องกับช่าง น, นั่งไปเถิโดโยไม่เป็นไรไม่บาดหรอกนั่งกับบระธานแต่มันไม่รู้เรื่องแล้วลองฝึกสายลอ็อกข้อฉาท่านบอกว่า รู้สึกตัวเอาความรู้สึกเฉยๆนก็ได้สติสัพัญญะนี่มันยังไหนลองทำรู้สึกตัวดูมีเยาวติอัตมาั่านอย่างนั้นจะออกกรรมฐาน เสียงแววมาเหมือนเสียงเพื่อนไปบอกเนีบอกว่าลองไปหลวงพ่อเทียนทำไมมันจิตประวัติไปอย่างไงไปแววมาเหมือนเพื่อนมากั่ซิที่หูว่าให้ไปดูหลวงพ่อเทียนอั น, นั้นอาจะมาฝึกมาหลายวันนะสายนกป่วยฉาเนี่ยแล้วก็ บ่ายวันนั้นบอกว่ามันเป็นผีไม่บอกลูอบอกบากรู้ไหมมันบอกว่าลุกพ้นเถียรอนนมาก็ลุกเลยไปห้องส ม, มุดไปดูน่ะนังสือลุกพ้นเถียรมีไหมที่ห้องส ม, มุดอ้าวบนเก็งๆไปได้หนังสือบางๆหนังสือกระดาษลุกไม่น่าอ่านดอกถ้าลุก ในเครื่ออปีอาเจนู้อัตมาก็ได้มาสี่เด็กเปิดอ่านแล้วทีนี้ก็มีภาพสร้างจังหวะเงื่อนดิ่ที่นี่อยู่ในหนังสือก็ลองฝึกดูอ้าวพอฝึกอ้าวเป็นไงอย่างนี้ เล็วมากขึ้นมากขึ้นตีหนึ่งกีสองเอาแล้วไมาอยากไปไหนแล้วจะนั่งเด็กกำลังท า, านอยากฝึกแต่วพอขงบนชันกขงบดเทียนเนี่ยแน่นเขา่าแน่นเขา่าอ้าผิดแล้วพงโยกยังดีนะยังมีครูบาอาจารย์สอนอันตามาเปิดหนังสือหลวงพว่อจับเปิดหนังสือ ทำเอาเองไม่มครสอนก็เลยอาศัยตำราที่เล่มบางๆฝึกฝึกมาเข้ามาเข้าเอ้มันแปลกแล้วเขาก็มาถาดมาเป็นยี่สิบปีไม่เห็นมีอย่างนี้พอมาจาับเอากรพ่อเทียนไปฝึกไปเปิดดูเ้าเออ ทิดแผนด่นินะน่นะหน้ามือเป็นหลับมืออาตมาขนหนังสือบาลีอะไรนี่เข้าห้องสมุหมดหมดไม่เอาแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นอาตมา ก, ก็ไม่ได้แบกับทีเพราะแบบมันหนักหลายปีทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปอย่างนั้น แนวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจาคุณราบเจ้านักฉ <c> ะ <oughs> นัน้นจะงวดสิงห์บุรีเจ้าคุณศรีวรียากตอตากัตมากต็ตากโยก้าน้ำสานรูปนโยโย ประโยชก้าทั้งสามรูปแต่ประโยชนก้านี้มายอมสยบให้ปอสี่แม่ออาบาอกเออประโยชก้าทั้งสา ม, มามายอมเนี่ยมายอมน้องพ่อเทียนเนี่ยยอมจะไม่เชื่อหรือ อาตมาเรียนประโยชนเก้ากี่ปีจะาพุทรานดิกระหลายปีีหลวงพ่อไหลกะหลายปีก่อนจะได้ประโยคน์้าตอนนี้นี่ยอมคราบข้าถวายหลวงพ่อเทียนหมดเเคยดูถูกไว้อาตมาโอ้ยกราบแลกราบอีกราบหลวงพ่อชาเรากราบจะให้บาป <c ười> พราะได้ดูถูกมามากแล้วอันนั้นคือเราํราราไปขบคกัน ไม่ได้เอาภาษาใจของพวกท่านเหล่านั้นท่านเรียนภาษากิเลสเรียนภาษาใจเรียนภาษาธรรมะแต่พวกเรานี่เรียนกันจ่ิงเรียนตัวหนังสือในกระดาษมันไม่มีรสชาติอย่างญาติโยกว่าได้ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิที่ไหนทุ่งกวลาเราให้มันหอมอย่างนั้นหอมอย่างนี้อยู่จังหวัดเลยก็ชมแต่ข้าวหอมมะลิที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอะไรบ้างทางโน้นแต่ไม่เคยกินข้าวหอมมะลิรู้แต่ว่าข้าวหอมมะลิเฉยๆแมนบอกส่วนาตมาบพอได้อดามาเนี่กินหอมมะลิอีหลีหอมอี่ลีแสบนู่นอีหลี่แมนบอก ตั้งการบอวันนี้ปับจงวันเลยอ๋อนี่ธรรมะใครอยากินข้าหอมมะลิ ก, ก็ทําเข้าไปทำตามหลวงพอเทียนโยมผิดหวังหรอกโยมจะเด็ดเคของจริงอาตมามาวันนี้อาตมานั่งเครื่งบินจากกรุงเทพ มาลงที่อุบลเมื่อวานนี้แล้วก็นั่งรถจากอุบลมานี่ออกตัก้งแต่ตีสี่เจ็ดชั่วโมง ก, กว่า mm hmm. เนื่อยบอเจ็ดชั่วโมง mm hmm. มันบ่นเหนื่อยห ร, พราพอลงพอเทียนสิง mm hmm. ที่บ้านมานี่เพราะลงพอเที่นสิงอาตจจมาแล้วถึงบ้าน ถ้าหลวงพ่อเทียนบูน ส, งสิงกิเลสสิงบ่มากเนาะเออมาพอได้แต่ว่าหลวงพ่อเทียนสิงแล้วอยู่ไกลแค่ไหนก็มาเอาเงินขนมันลถหมด้ไหมครขาดน้มันลดบบีด้แต่หลวงพ่อเทียนสิงแล้วไม่ได้จะคนเทพอ็จะคนรากอิติเวที เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็ล้พอดเถียสดสิง์เจ้าคุณศรีวรญาตจังหวัดมหาสารคามนี่ก็ล้มพอดเทียดสิงหเจ้าคุณล้พอไหลแล้วดีหลวงพอดเถียรสิงอยู่ที่เ้นหลุยรัฐปิชรี ญาติโยมนักถือแยะแยแต่หลวงพ่อเทียนเข้าสิงทิ้งหมดไม่เอาแล้วคนในเมกาเพราะคิดถึงหลวงพ่อเทียนมากต้องกลับเมืองไทยเนี่ยทนน่นอยู่นี่เดี๋ยวทันจะเล่าให้ฟังนึ่หลวงพ่อเทียนสิงเลยอยู่ไม่ได้เมกาคิดถึงโยมไทยอยากจะมาช่วย มาเผยแผ่วิชาหลวงพ่อเทียนท่านก็มาแล้วท่านก็ไม่ได้ทิ้งความปรารถนาของท่านท่านก็นมาทำของท่านจริงๆเอาแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออื่นไม่เอาเนี่คือหลวงพ่อเทียนเสกมรรคอาตมานี่นเพราะนั้นโอกาสที่ท่านทั้งหลาย ได้เข้ามาเรียนรู้แนวของนกข้อเทียนเนี่ยไม่ว่าพระพิตุษษสตาไมาเนืไม่ว่ายากโยกควรจะถยายามตั้งใจมันไม่ยากยกมือขึ้นแค่นี้มันเหนื่อยอะไรนนหนาหนาเห็นไหมบางทีจะมาเอาแค่นี้ นี่ทำแค่นี้ก็ได้เฮ้ยใ่ไหอืมยกขึ้นยกลงก็ได้นี่ยกขึ้นยกลงถ้ายกขึ้นยกลงอย่างนี้มันตายอาจมังก็จะไปเผาเองอยจะรับปเป็นยาผักหมดมันไม่ตายหรอกเดียกขึ้นยกลงให้รู้เท่านั้นนะโย จ, จะได้อริยาสัพ์ อย่าไปอะไรมากดเพราะก็เหมือนกันอัตมาไม่อยากให้โยมทาเล่นนะตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบสี่ดีเท่าไหร่โอ้ตายซะไปมันจะเสียดายเวลาด้วย นะย้ำบอกนละ้วอ่ะมันเสียดายี่มนุษย์ทีหลังโอ้ยเนี่ยจ้ บ, บอกว่าอย่าทำเล่นให้รีบทันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไม่ควรจะไปร อ, อคอยถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวโยมตายก่อนนีเอาเดี๋ยวนี้แล้วโยมจะได้รู้แล้วทีนี้โยมจะได้โอ้ยหลวงพ่อเทียรจิกๆอย่างนี้ โอ้พระพุทธศาสนาอย่างนี้อาตมาเคยเสียเวลามาแล้วไปดูอาตมาเขียนด่าตัวเองเขียนด่าเยอะแยะเลยทำไม่ในเมื่อของดีไปนอนกอดนอนเฝ้าอยู่ทำไมไม่เอา้าพอมารู้เรื่องโอ้โหคิดถึงพ่อถึงแม่โยกตาใหญ่คิดได้ยังไงมันของเป็นฝังที่แตกระดูบหมดแหล่ะ โอ้ยตอนนั้นมันมีใครเปิดเผยเลเสียดายเลยโยนี่แมนชีเนี่ยมันจะเสียดายเวลานะพอมารู้หลวงพอ่อโอ้ยโอย้มันเช่นผมบางภูเขาน้นแนวหลวงพอ่อเนี่ยบางคนไปถึงสามนาทีรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก็รูแล้วโอ้อย่างนี้เลยโอ้อย่างนี้เลย แกงจำปังถ้าโยกแจ้งจำปานที่ดีไปเลยโยกมีหน้าคล้ายหน้ามันนะมันโยก็มันโย น, ยนิวัดแทบทําป็นขวัญเนแบกหน้ามันก็ทุกแบกลูกแบกหลานมันก็ทุกแบกอะไรก็ทุกทั้งนั้นมาแบกสติสัมปญญายักษ์ น, นี่ไม่เป็นไรโยมจะเบิกบานทุกวัน ประโยช์เก้านักสามนะก้าวสามเป็นเท่าไหร่นะก้าสามย่สบเจ็ดโอ้สามนนะ 3, ประโยชน์เก้ามาทดลองวิธีที่โยงทำงนี่ท่านได้ประโยชน์แล้วอาตมาก็ได้ประโยชน์แล้วจึมัน นั่งตรงนี้พูดตรงนี้ให้โยฟังอาตมาจะอยากได้อะไรเงินอาตมา ก, ก็มีค่าเติน้ามันรถอยากดังอยากเร่นอาตมา ก, ก็ดังเล่นแล้วจนเป็นเทนระดับนี้นี่อาตมาต้องการอะไรอีกเพียงแต่ต้องการมาพูดให้โยฟังว่าแนวของรพเทียนนี่มันจะเป็นประโยชน์ต่อโยทุกโคเท่านั้นเองนะ่ะ เออดีเติน้ำมันรถมาสองปีแล้วเนี่ยหามาเด้อเ <c oughs> นี่ยอัตมาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการอะไรต้องการให้พวกโยมเนี่ยได้ทำมัธีดีอาตมาต้องการให้ญาติโยมมีความสุขไปวันวัน แล้วยอมเข้ถึงอย่างนี้เนี่ยยอมชักผ้าโยอโยกยมก็มีความสุขรีดผ้ายอมก็มีความสุขดัไร่ดักนาปลูกมันสะตอยอมก็จะมีความสุขไปเรื่อเรื่ออย่นี้ไม่เอาเลยยมมีเงินเป็นทั้งทั้งยอมก็จะมีความสุขกับการจ่ายเงินมีแหวนเพชรวงสวยๆมีหลายกลัดแวววายอมก็มีความสุขกับแหวนเพชรโยงเนี่ย โยมมีนาฬิกาโรเล็กมีนาฬิกาสซปุโยมก็จะมีความทุกมีไร่มีนามีวัวมีไฟโยมก็จะมีความสุกกับไร่กับนากีบว์กับไฟคือโบแมนเออเนี่อาตมาไม่อยากให้โยมมีความสุูเออมีความทุก กอดลูกกอดหลานตะทบมหันลอะมันทบแห้งมันไหนแมวย่อมง่ายมันทบบ่ไหนกาแฟถุงหนึ่งเนี่ยกาแฟถ้วยหนึ่งกับพรกทบในเบนแมวบอก้ออะมีลูกจะไพยอยู่บอกมีลูกเลยนะ ออถ้าบอชอบลูกสะไบเนี่ยให้ม่มีปัญหาได้น้องชมกาแฟเนี่ยมือนีลูกสะไบมาชมกาแฟมันใส่กาแฟหน่อยบึงขี่ทียังแข็นี่พอบอชอบอยู่แล้วบอชอบลูกสะไบถ้ามันใส่กาแฟหลายแนยมันเป็นเศรษฐีมานอยากใส่บ๊บประหยัดพอกาแฟน้อยนีย่มันยังโปวดหัวได้เมนบอก สีแดกกระดกตุ้ตุ้เสร็จถาคคำว่าแดกจะแดกเมื่อสีแดกขึ้นบนแดกก็ะสามันหมดหลยแดกแม่บอกพอ่อโอ้ทุกเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องมาเป็นทุกข์แต่เรื่องกาแฟาเขาจะใส่มากเศน้อยมันก็ดื่มได้เพราะใจไม่มีมปัญหาอตมา เห็นว่าพวกโยมทุกข์วาอะไรทุกเพราะเรื่องอย่างนี้แหละเ ล, เล็กๆน้นอยๆออทะเลาะกันโย่บ้านมาพอ่อไบส่วนรบพว อ, อยู่วัดทะเลาะอีกเออบริจิตเนี่ยพอยอย่างนั้นโยมทำเสร็จของโนบะเทียนโยมจะเลิกเองเดี๋ยวนี้วความรู้สึกนึ้เคลของโยมเป็นอย่างนี้กันนะ พอได้วิชาหรือสร้างจังหวัดมีความรู้สึกตัวทุ่มพร้อมกันมาเนี่ยปรับไปแล้วโยคนเดียวเนี่ยมันจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนโยทันทีเปลี่ยนพัะทัน ท, ทีพระถ้ารู้นี่สิไรครัมันซึ้กับหซื้อแต่ก็มืนม่นหมดได้ยากซึกหลกายด พอมารู้นเลืเล่องนี้นี่บูได้ประโยชน์จากการบวชแล้วได้ประโยชน์จากการนักถือพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหาที่พาเมามามาต้องการให้โยชน์ได้ตัวนี้เท่าพะยานเจ้าคุณ ตากิตติวิธีเจา้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีลบพลไหลหรือกุบาอาจารย์อยู่ที่นี่ไม่ว่าอาจารย์ได้เลตไม่ว่าอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ท่านไม่อยากเห็นหยดน้ําตาของญาติโยมอาตมา ย, ยิ่งใหญ่เลยไม่อยากเห็นหยดน้ําตาของญาติโยมเพราะความทุกข์ที่กลับลงม า, มาเนี่ยญาติโยม ตาของญาติโยมแต่ละโยมมันบาทใจพระแล้วพระก็ไม่ควรจะไปให้โยมหลังนับตาเพราะขัดทุกเพราะพระเนี่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ให้สิ่งที่ <c oughs> เป็นประโยชน์ต่อญาติโยมเเหมือนอาตมานี่อาตมาม า, มาวันนี้มาช่วยสับนับตา ให้น้ำตาของโยมเหือดแห้งตั้งแต่วันนี้ถ้าโยมพุกขลองเบิร์ตไปทะเลาะกับลูกเขยทะเลาะกับลูกสะใภ้ดิจะมีก็จิกกระใจไหนตื่นเป็นดรื่องข้าวใส่บาทพระใช่มไหมก็ปล่อยให้ท่าอดสิทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้โยกยิ้มแย้จัดใสก็มีความเบิกบานอยากจะ ท, ทําบุญตักบาทรพระก็รวยสบายพระก็ให้ทำมาไปออกตอนเช้ชาไปโปรดอยากโยกโยกเดชทาบุญสุนทานความเอืออี่เบิกบานนั้นเกิดยกอยู่บ้านก็เออบอิเบิกบานพระปฏิบัติปิบัติชอบท่านก็จิบเอือบอิ่เบิกบานนั่นคือทิศทางของชาวพุทธ ไม่ออกอ น, นี้พผ่าเหลือเนาะน่าเล็เออเออกผมผาเหลือ ก, กับผมเนี่ยหิวพันแน่โอ้มันน่าเล็ไม่บอกไม่ออกเออท่พะนานได้แด นาขึ้นหยังหนึ่อองมัดเขากันกับจีวอนง บ, บอฮึจาวาดเนี่ยนาเดินคึยยน้นตาหยักม่ดเขากับจีว่างเขากับซ่องผมบออย่าไปว่าเรื่องพาะ ย, ยิส้สีบ่ไดบุญหรอกพระนี่ทำไงต้องยินแย้มแกกใสบอกบ่งถึงภายในท่านใสปุดผ่อง ให้ยอมไปกราบพระประเภทอย่างนี้โยอมจึงจะได้บุญหน้าเหมือนผีเหมือนสามเหมือนยักษ์เหมือนมานอย่าไปกราบวะพอจะเสร็จแล้วโย่กยังถือหลอบอยู่เออบ่จนนั้นว่าที่พูดให้สังเกตว่าถ้าพระใบหน้า ิเอมปลตีนะคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอย่างนี้นี่พระเป็นที่พึ่งของญาติโยมแม่กับโชคประชาให้หรอกเพราะว่าท่านบบบอบรมบ่มเพราะใจของท่านดีแล้วเอาอะไรไปก็คือเอาวิชาที่หลวงพ่อเนี่ยให้นี่ยท่านสวดไปแล้วท่านก็นเด็พึ่งทางนี้ ทำไปทำมาสติสมยักษ์คลองใจท่านทาอะไรก็มีแต่ความเบิกบานอาจาระบดงามสีนัาต่า ง, ง, งบริสุทธิธ์พุดผ่องระอย่างนี้แหละอาตมาก็อยากให้เต็มบ้านเต็มเมืองพอจะได้รักษาศรัทธาญาติโยมญาติโยมขอพึ่งพรักญาติโยมหรือพระประเภทอย่างนี้โยม โยมไปโยมเป็นทุกข์านกระถายทอดอันนี้ให้โยมก็สบายใจพูดไปเท่าไหร่ก็สบายใจในที่สุดโยมก็กลับบ้านด้วยความเบิกบานเอี่ม อ, อกหิ่ใจนับถือพระมากยิ่งขึ้นแต่โ <c oughs> ยมเป็นทุกข์ไปหาพระ พระก็ไม่รู้จักฟูเรื่องอะไรเอาไปมาขอยึงเาในหน้ายกเลยเนี่ ย, ายอาตมาสเสียเบอร์เขาได้แล้วบัดไหล่อ๊หลวงพ่อเทียนมาโกรธน้นพระอย่างนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นเอกเอก็พูดเนี่ย พระอย่างไงจึงจะเป็นผู้ที่ซับน้ําตา ญ, ญาติโยนได้จากกลั้นน้ําหยดน้ําตาของญาติโยนานก็คือพระอย่างที่อาจาแนะนี่แหละให้มาฝึกอย่างนี้และจะได้ทำมัดตรงนี้เป็นที่พึกก็เท่ากับเข้าถึงปรพุพเพธรรมประสงค์ถ้าเข้าถึงปรพุพเพธรรมประสงค์ท่านอิ่มเอิไปวันวันท่านก็ได้ประโยชน์จากการบวช เข้าถึงปพุทธศารสนาการเข้าถึงปปุธศารสนาก็คือได้ปปุจพระธรรมผสมเป็นที่ปึ๊กการได้ปูุจพระธรรมผสมเป็นที่ปึ๊กก็คือได้หลวงพอเทียนได้หลวงพอเทียนก็คือได้สติสัมเพยัญคลองใจใครได้สติสัมยัญคลองใจทําอะไรรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอนั่นคือรู้จักหลวงพอเทียนอ่านของอัตมาไปอ่าน วิ่ีไหนทาไม่รู้จักหลงพรอเทียม า, มากขึ้นอาตมาเขียนไว้ตรงนั้นมันต้องสอนยากง่ายสอนอย่า ง, ง, งนั้นว่าต้าทุกข์ทันทีฝึกอย่างที่ว่าถ้าโยคนใดได้เข้าถึงในลักษณะดังกล่าวนี้ก็คือว่าโยได้เข้าไปนั่งฝึกกับหลวงพ่อเทียนแล หลวงพ่อเทียนไปอยู่ในใจผมญาติโยมทุกเวลานี่ยแหละอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้มาลําลึกถึงพระปุณหของหลวงพ่อเทียนครบร้อยปีถ้าท่านอยู่ก็ครบร้อยปีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาล้ำลึกนึกถึงท่านอย่างนี้ก็อยากให้ญาติโยมทุกคน กลับบ้านด้วยหัวใจที่เบิกบานทุกคนหัวใจที่แห้งแรงอย่าเอาไปเอาลบก็เทียนกลับไปัตมาก็หวังหวังที่สุดตาดธนาที่สุด อยากจะให้ทุกท่านเด้เข้าถึงในลักษณะอนี้เพราะฉะนะั้นวิธีไหนที่จะให้เข้าถึงก็พยายามปรับเปลี่ยนเอาเองเพราะอันนี้มันยากบางคนทำไม่ไมยากแปบ๊บเดียวก็รู้เองอ้ยานี้ก็งนน่ายบางคนมเมื่อกี้อนามาบอกว่าเส้นผมบางภูเขา บางทีมันจะเกิดตัดเดียวนานโยกอันนี้นะโยกบางคนค้กับเห็นเขามายกมืออย่างนี้กลัวเขาว่าผีบ้ายกยังนี่แหละนี่ยผีบ้าไม่มีประโยชน์อะไรมายกทำไมไม่มีงานทำหรือไปทำอะไรทำนาไม่ดีม่ยกมือทำไมเพราะยกก็ไม่เห็นมีอะไรนี โยมจะไปดูถูกผมเนี่นะไอความไม่มีอะไรนะี่แหละมันดีอยู่เนี่ยนะอย่าไปนาที่มองโจงไม่เห็นทำอะไรเนะี่ยให้โยมทําอย่างนี้นะอะไรจะเกิดมันเป็นเรื่องของติตสัมปัญญาเขาเองมันไม่ใช่เรื่องเรายมไปคิดเอาเองนึกเอาเองเนี่ยทําไปเถอะทาอย่างนี้เหมือนโยมบูมม่าก หน้าที่ของโยมลดน้าคนเดมันจะออกรอกออกผลมันจะงานไมงานเป็นเรื่อ ง, งของมม่วงนะไม่ใช่เรื่องของโยกอะเรื่องของยอมคือดูแลใช่ไหมนี่เหมือนกันแหะหน้าที่ของโยมทำอย่นี่อะไรจะเกินเป็เรื่องของเขาจำไเรื่อยอย่าไปบงังคับอย่าไปอยาบคายอย่าเห็นเห็นจริงสิไปเยาวบ่ายยังกรนซานีกพระพุทธเจ้าก็โดนด่ามาแล้วบ่บาย พากรรมฐานทุกรูปน่ที่ไม่ว่าดเขาว่าไอ้บ้าอยนี่ไม่มีอกาตมาก็วามาแเพราะว่าวงคือเขาคิดบุตเขาอยู่ซื่มบแดงอาตมาอยู่กรงเทพนอดหอดแอร์สบายพูดเองมาให้เนี่ยใช่ั้ยเออยองหองแอร์สบาย นี่มานหนาวๆนีน่นนอย่าแต่อย่าลืมว่ารลวพอเทียนเสียงแล้วอยู่ประด็กอยู่เทปป็ได้กมันเขาขัดเราเลยเออเออเอาละมือนีิทีละ ก, กัะกระเด็กเอาไรก็พอหัวมันสมบูมณ์นี่โอ้กันเทปบุตินิ ม, มันให้เทศอยู่เลย เอออาทินี้บ่ให้ไม่ให้มีอะไรสงสัยนะในเรื่องของการยกมือไม่ให้มีการสงสัยส5บ้าจังหวัดเนี่ยอย่าไปสงสัยเ <c oughs> พราะสารประโยคก้าวมารับรองแล้ว <c oughs> เออ ว่าจะได้อะไรมันจะเกิออะไรไม่ไดไไไไ้ไม่ต้องประโยคน์เก้าทังสามมารับรองว่าแน่นอนอาจะมาเคย้าไย์ยใใครจะมันตัดคอมาอะไรก็ไม่เอาก็อยอมทั้งหมดแต่ว่ายอมให้ตัดเพื่อรับรองนีรับรองว่ามันเป็นประโยชน์ยิ่ง ใครมาให้คะแนนอาตมาไม่หรอกใครไปรประเมินไม่ไม่ต้อกเราให้คะแนนเราเองเราประเมินตัวเราเองเราสบายมากขึ้นอย่างไรกินได้นอนหลับสบายอย่างไงง่ายต่อในทุกเรื่องทุกราวได้อย่างไรตรงอย่างไรตั้งตัง้งนี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อหานะ ถ้าเข้าเนื้อหาในเรื่องสัจจะในโยมไม่ได้กลับเราจมาเหมื อ, กอนกันอีนนนอกสองคืนก็ุกจบเน้ยจิเทศอยู่นีเนี่ยบนุ่ยหน่อซอคืนกันแหละสาเพือกันแหละพูนถึงอาเทศกันแหละโบวีจบกปอย่างพอตัวที่จะพูดมันก็อยู่ในใจผมโยมนิอยู่ในใจนี่แม่นบอกเขา บ, บนูะ่ะที่ไปต่างยีงย่ย ธมะบอกธรรมาป้าเส้นห <ไอ S 1> ัวย่องกับย่องปลาเส้นหัวธรรมาคือกันบอกเออบอกพราะจะสนคือกันเหมือนเชียวหุบเหลืองเชียวหุบขาวคือกันแน่ตัว่ยลงไปดูทีบหลัง คือกันเหมืเพรา ะ, ะนั้นเรื่องมันม่ยังเทศบดยกเนี่ยมันจะกนนอย่างไหนพอตัวนี้คือก่ปีที่แล้ว 2,994 แม่บอกปีนี้ 2,994 เป็นกระสุน่านั้นแฮปปี้นิวเจอร์ทูยูแม่บอกสวัสดีปีใหม่ อ้กิเลก็คือเขาปีหาซีกับปีนี่ซื้อกันนั่นแหละใหญ่ทากันแม่บอกคือใหญ่กลัวกับบมโหดนี่ปีใหม่กับใหม่ซื้ อ, อแต่กิเลสกัตัวเก่าแม่บอกพระพุทธเจ้าเทศสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแ ล, ล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีกกิเลสตัวเก่านะั่นแหละที่เปนเตอยู่นั่นมาครูมือ้อเก่านะ่ะมาเตะตนดีเบิ้ล นี่มันเตะตนแตะ ต, ต, ตอยางนั่นตยตดยางเนาะเออมันเตะกับคดเตะเสมไมก่อนกับมันเตะคู่มือตางกันบอกว่กาตาเจ็บขึ้นเกาเบนบอกเอ อ, เ, อ, อนะเพราะนะจะหมดเทศทีคืนกี่ยามก้อยตัวเดิมไม่มีไปไหนมันเทศไม่จบเทศดาทักคืน เทศ่ยได้ทั้งวันเพราะไอ้ตัวเก่าๆ น, นี่แหละมาอยู่ในนี่เอาเอานี่เนอะบอกอะไรต่ อ, อ <c oughs> แล้วธรรมาภาพในน า, ขนามของคณะสงฆ์ทงกมนูก็ขอชิญโจมยินดีกับญาติโยมทุกฝ่ายที่ได้มาดำเนินถึงหลวงพ่อเทียนจิตัสสุโภ ที่ทันได้พนพบไม่ใช่พ้นพบกับไอ้ของกับทัานไดยึดมั่นทางนี้จดเป็นที่ประจักษ์ทำให้ญาติโยมเคารพนับถือหรือว่าญาติโยมทุกท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลมามันนี้หรือมาฟังขับทำในขณะนี้นี่ถือว่าท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับมัวพอ่อเทียนส่วนหนึ่ง ได้ชุให้ความนับถานกับการจัดงานของคระนรส่ว น, นหนึ่งคือเจ้าสนะหรือเจ้าพระวาดวัดนี้จึงขอฝากให้ทุกจำมาลับไปแล้วก็เอาหลวงพ่อเทียนไปด้วยอยาท่านไว้ตรงนี้ทักับข้าวก็ให้หลวงพ่อเทียนช่วยทาตื่นขึ้นมาก็ให้หลวงพ่อพาตื่น เวลานอนก็ให้ลวงพอเทียนพานอนขอของน้ำข่องส้วมให้หลวงพ่อพาทัานนถ้าอย่างนี้โยกจะได้อยู่กับหลวงพ่อเทียนตลอดไปล้วขอนาโมทนาในนัมใจของกัณฐจงปเทรันุเทระที่ได้นำพาในเรื่องของการปฏิบัติใส่ให้คำแนะนำชี้แจงในจุดอื่นอื่น กนาว่าพวกเราได้ร่วมกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอีกทีนหนึ่งแล้วก็เพื่อช่วยรับน้าตาของญาติโยมอีกที่หนึ่งอาตมาเชื่อว่าธรรมะแนวนี้สามารถรับน้าตาของทุกท่นานได้ทายอมเชื่อนะยิงบอกว่าสาประโยชนเก้า มารับรองแล้วโยไม่ต้องลังเลแต่ความลังเลนี่จะทําให้โยเสียสูลแล้วก็จะเที่ยวหาอาจารย์ไปเรื่อยเการเที่ยวหาอาจารย์เรื่อยๆรยโจะตายก่อนก่อนที่จะรู้เรื่องของธรรมะข้อยุติการบรรยายธรรมะวันเพียงันนี้เพราะวันนี้ขอน้องบคุคุณพุทธคุณประทับสุนทรจงและบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราบำเพ็ญมา จงเป็นอันนี้สงุนนำด้วยวิญญาณของหลวงพ่อเทียนให้ท่านได้สเวสวยจุขในชั้นปฏิพานยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพรในกราบนี้ได้ตอบสนองให้ท่านทั้งหลายที่มีเจตนามาปกเพื่อปฏิบัติธรรมในตราบนันี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกสุขโครคภัยไข้เจ็และขอให้ท่านที่มาด้วยเจตนามโนธรรมนี้ ได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมะแนวหลงทอเทียนด้วยกันทุกท่านเธ อ, อสาธุ